วัดกเอรกะโลมสิิขาบทว่าโดยการรับขนเจียมเครื่องภิกษุรูปใดรูปหนึ่งรับขนเจียมระหว่างทาง571สมัยนั้นพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่หน้าพระเชตวันอารามของอน า, าถาบินธิกะเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีครั้งนั้นภิกษุรูปหนึ่งเดินทางไปกรุงสาวัตถีในชนบท ควรระหว่างทางขนเจียมเกิดขึ้นเธอจึงใช้อุตราสง่งห่อขนเจียมไปพวกชาวบ้านเห็นท่านจึงพูดสะพยอกว่าท่านซื้อขนเจียมมาราคาเท่าไรจะขายมีกําไรเท่าไรท่านถูกชาวบ้านพูดสะพยอกจึงเก้อเขินครั้นถึงกรุงสาวัตถีได้โยนขนเจียมเหล่านั้นทิ้งไปทั้งที่ยืนอยู่นั่นแหละภิกษุทั้งหลายกล่าวกับท่านอย่างนี้ว่า ทำไมท่านจึงโยนขนเจียมเหล่านั้นทิ้งทั้งที่ยืนเล่าท่านตอบว่าจริงอย่างนั้นท่านตั้งหลายกระผมถูกชาวบ้านพูดสัพยอเพราะขนเจียมเหล่านี้ภิกษุทั้งหลายถามว่าท่านนาข น, นเจียมเหล่านี้มาไกลเท่าไรภิกษุรูปนั้นตอบว่าเกินสามยชดขอรับบรรดาภิกษุผู้มากน้อยพากันตำหนิประนามโพลทนาว่า